พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่13มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่าอยู่เพื่อภาวนา วันนี้เป็นวันที่13มกราคมพุทธศักราช2559วันนี้พระในวัดของเรา น, น, นานๆหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังรายงานหรือว่าบอกกล่าวให้พวกเราได้ทราบว่าพระในวัดของเราช่วงนี้มีเท่าไหร่พระทั้งหมด43นะ พระสี่สิบสามรูปลงมาฉันวันนี้สามสิบสองงดฉันสิบเอ็ดพระในวัดของเราแต่เมื่อวานหลวงพ่อขึ้นมาใหม่มาจากต่างถิน่นขึ้มาจากกรุงเทพมาเจอความหนาวโอ้มันหนาวจริงๆเมื่อวานเพราะมันเราไปเคยไปอยู่ ในที่อบอุ่นอยู่ในที่ร้อนพอเข้ามาเจอที่หนาวเข้ามาได้เฉนดุงเลยว่านะแต่วันนี้รู้สึกว่าปรับตัวเข้ามาได้ก็รู้สึกว่าอากาศก็คงจะอุ่นขึ้นมั้งในเห็นชมชายมันร้องปนระากาศขึ้นมาอีกแล้วเก็ <c oughs> บผ้าห่มเลยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกถ้ามันหนาว สมชายมันประกาศองจะอุ่นล ว, วันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เช้ามารู้สึกว่าออกมาจากห้องก็รู้สึกว่าดีดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานนี่มากแต่เมื่อวานรู้สึกว่าร้อนอหนาวหนาวสะดุ้งเลยเมื่อวานแต่ถึอย่างไงหลวงพ่อว่าหนาวขนาดนี้นะกำลังดีนะ จำรับพวกเรานั่งภาวนาผ้าหม่มผืนนึงผืนหนึ่ ง, นนงแล้วก็นั่งภาวนาการนั่งภาวนานะ่จะอากาศเย็นจะดีกว่าอากาศร้อนนะอุตตุสบายะตัวนี้ที่ได้ปฏิบัติมาได้สังเกตดูพอหลวงพ่อนะเป็นคนสังเกตนะ ด, ด, ด, ดูสังเกตดูว่าเป็นยังไง ทำอะไรเกิดประโยชน์อะไรจากนั้นก็ได้ปฏิบัติมาอย่างไงก็ามาพูดกล่าวให้กับพระลูกพระหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ทราบหลวงพ่อวันอากาศหนาวขนาดนี้ น, ะนั่งภาวนานดีกว่าเราจะไปนั่งใ น, ในที่เมิดเคิมนั่งในที่โปง่ปงโป่งโล่งๆก็ได้ หรือว่าจะนั่งข้างนอกถ้ามีกุฏิมีฌานก็นั่งฌานกุฏิก็ได้กลางคืนก็ไม่มียุงอีกต่างหากทีนี้เพรามันหนาวหนาวยุงในวัดเราไม่มีนะกลางคืนนะแต่พอมีอากาศร้อนหรืออากาศอบอ้าวมีอากาศฝนจะมียุงแต่หาอากาศหนาวหนาวเย็นๆนีน่พวกมแมลงทั้งหลายแหลร้องจี้ๆแจ๊กๆนั้นมด พวกตระกูลมแมลงทั้งหลายแต่พออากาศอบอุ่นแนละ้วอากาศมีอากาศฝนขึ้นมาท่านนั้นมแมลงในวัดคลองลอยมันเยอะเหลือเกินมันร้องกระพือปีกแมงมแมลงน้นําฝนแมลงอะไรตัวแ ม, มแมลงอะไรจริงตรงจริงเ ด, ดิไม่ต้องพูดถึงมันร้องสนานวันไหวกลางคืนแต่หน้าหนาวเดี๋ยมันเงียบลเลยนี่แหละ สรุปแล้วก็คือเป็นโอกาสที่พวกเราจะนั่งภาวนาหรือเดินยองกรมอยูใครอยู่ที่ไหนกลางวันทางของเรามันมีตั้งหลายเส้นไม่รู้ว่าเส้นไหนตัวเส้นไหนเราจะเดินตากแดดก็ยังได้ทดลองเดีสิเดินยองกรมตากแดดเป็นไงเดินยองกรมในลมไไ้มเป็นยังไงเดินยองกรมมันเหนื่อยแล้วก็พักไง ขื่นมาหาที่นั่งพักภาวนาเรามาภาวนาแท้ๆนะไม่ได้มาทำอย่างอื่นไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ได้มาคิดมาอ่านไม่ได้มาเพื่ออะไรมาภาวนาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์หาแนวทางหาจิตใจเข้าสู่ความสงบอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าจิตใจสงบนั้นเป็นยังไงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันัตติสันติปรังสุ ข, ขัง คำนีนะ้เราเห็นแต่ความว้าวุ่นเห็นแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายในจิตในใจอเราทดลองหน่อยสิให้ดีรับความสงบทางด้านจิตใจดูสิเป็นยังไงถ้าเราไม่สะสวยหามันไม่ได้นะลูกหลานนะพาเนศนะกลางวันมานะี่ยนะพอฉันยังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปกุฏนะิเราก็ไปหาหมุมหรืหหลังกุฏิหลังไหนแต่ ก่อนสคัญช่วงนี้อย่าไปใกล้อย่าไปดูนกเป็ดเนะนกเป็ดอย่าไปใกล้มันถ้าไปใกล้มันบินขึ้นฟ้ามันมันกลัวมันกลัวคนก็ทําให้ไปรบกวนมันอย่าไปรบกวนมันพอมันกลัวคนอยู่แล้วอย่าไปใกล้มันนกเป็ดเยอะนะหลวงพ่อไปดูก่อนลงกรุงเทพไปดูนกเป็ดเป็นพันกําลังมากําลังจะลงในสระน้ําให้มันลงซะ พระเนนทุกองคอย่าไปใกล้อย่าไปยุ่งอย่าไปรบกวนมันอมีใช่ว่าวันไหนกขวันเก่าไปดูให้มันบินขึ้นฟ้าให้ดูเขามาบินขึ้นฟ้าตัวนั้นอ่ะคือความระเวงระวังความกลัวของมันเราเห็นนเป็นความสนุกเป็นความเซ่อความโง่ของเราไม่ได้นะอย่าไปใกล้มันปล่อยให้มันอยู่เป็นอิสระถ้าไปดูกันดูๆห่างๆดูๆค่อยๆด้อมๆไปดูโอ้นกเป็ดมีนะก็ออกมา ไม่ใช่เดินเทเลอเถทอลาไปไปไล่มันท้ามันขึ้นอีกอย่าให้มีนะพระในวัดของเราทุกองนะต้องดูบอกกันพวกพระเก่าพวกใครหมาก็ตามอยากโยมมาก็ตามชอบไปเล่นไปเล่นกับสัตว์นะไปไล่สัตว์จนไม่มีจนสัตว์ไม่มาอยู่ในวัดพวกชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาเหมือนกันบอกอย่าไปหาดุงเหยิงกับสัตว์ พวกนกเป็ดมันกาลังมาลงมันมาหาที่หลบมันหาที่ปลอดภัยเราอย่าไปหายจุ้งหายเยิงกับมาอีกไม่ได้นะและขนนันหาจากนันก้นเราก็หาที่สงบในวัดของเรากุฏิมีตั้งเยอะแยะทางหลังวัดเราไปดูๆไปปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดไว้น้าก็มีอยู่เกือบทุกหลังห้องน้ำก็มีห้องส้วมห้องน้ำมี จากนั้นก่อนลทําความสะอาดเสร็จแล้วก็อนปัดกวาดเดินจงกลมเท้าเราเดินจงกลมในที่นั้นไม่เหมเอกออกไปเดินจงกลมในกลางแจ้งใส่รองเท้าดูถอดรองเท้าดูเดินจงกลมทํามันใส่รองเท้าเข้าไปมันดังตับตับมันลาคานะถอดรองเท้าดูสิเดินจงกลมนี่แหละ เราต้องทำวิธีหลายๆได้หลายอย่างอยากให้ขึ้นเป็นนั่งสมาธิกหนดดูจิตใจของเร า, มาแมลงงเรากมมีมุ้งรวดอยู่แล้วแต่ละหลังถึงจะเป็นล้านเล็กๆเราก็มีมุ้งรวดอยู่ถ้าว่าหลังไหนมีกุญแจแล้วก็ขอกุญแจไปเปิดแล้วก็ดูแลรักษากุญแจมอบสงคือท่านกูบาองค์ไหนนี่แหละ คือสรุปแล้วก็คือรับผิดชอบร่วมกันเสนาสนะของวัดเราไปภาวนาเรามาภาวน า, าจากนั้นก็นเดินยมโกลมจะก็ขึ้นไปทางภาวนาพอได้เวลาเออลงม า, ามากิจทำกิจวัดกข้อวัดมาจานาน้ำนี่แหละหน้าที่ของพวกเราไม่ให้ไม่ให้ในทำหน้าที่อย่างอื่นเรามาดูจิตใจเรามาภาวนา พระพุทธเจ้าท่านท่านไปตัวอย่างของพุทธะเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปีมันมีที่ไหนบ้างมีจอบมีเสียมมีเครื่องผสมปูนมีเครื่องอะไรไม่มี อ, อ, อันนั้นคือพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราผู้พีจารณที่ภาวนาภาวนาองค์ที่มีหน้าที่ทําการก่อสร้างเออา เพราะว่าวัดของเรากลุ่มของเรามันก็ต้องมีการก่อสร้างดูแลเป็นเรื่องเป็นครั้งเป็นคราวพอแล้วจากนั้นก่อนเราก็ให้พวกญาติโยมเป็นหลักในการก่อสร้างแต่เราพระก็ เ, เป็นผู้ไปดูไปแลเป็นผู้ไปฟังหน้าที่ของพระจริงๆนะท่านคืออะไรให้รู้จักหน้าที่นะให้รู้จักหน้าที่หน้าที่ของหลัก หน้าที่หลักของเราก็คือพระกรรมฐานคือภาวนาหาทางพ้นทุก์เดินยังกลมวัดของเราเนื้นอที่พันส้อกว่าไร่กว้างขวางเราจะไปหาอยู่มุมไหนดูทดลองได้สิเดินยังกลมหลายๆ า, า, า, า, ายชั่วโมงดูซินั่งนั่งภาวนาหลายๆชั่วโมงดูซิบังคับตัวเองถึงจะ มันจะออกก็ไม่ให้ออกนะทดลองหู่อสินั่งดูพยายามให้นานที่สุดให้สติอยู่กับตัวเองให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละแต่พวกเราทำอย่างนี้นะจากนั้นก่อนจิตสงบเข้าไปกับเป็นพื้นฐานนะคนที่มีพื้นฐานเหมือนกับหาเงินได้คนที่หาเงินได้นะ่ะขยันน้แต่ียอรู้จักวิธีการหาเงินลละ ถ้าหาเงินเท่าไรก็ไม่ได้หาเงินเท่าไรก็ไม่ได้ขี้เกียจพอขี้เกียจก็ยิ่งจนไปเรื่อยขี้เกียจหาเงินไม่ใช่ว่าจะมีความสุขแล้วมันจนได้ใช่ไอขี้เกียจเท่าไรก็ยิ่งจนไปนาถามว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาเมื่อเท่าแกชรามา น, นั่นแหละเห็นฤทธิ์เลยแต่ไม่มีเงินไม่มีสมบัตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเราขี้เกียจภาวนา พวกเราขี้เกียจเดินยังก้มขี้เกียจภาวนาต่อไปภายภาคหน้า ม, มันไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเรานั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะสมัยน้อยหนุ่มให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทำจิตใจให้สงบอยูที่ไหนอยู่ที่ใดให้มีสติสติสัมปะชัญยะพยายามฝึกหัดให้มีสติการเดินขึ้นไปกุฏิอย่าไปเดินเกียงคู่กันคุยกันเราไม่ใช่คราวาดเราเป็นพระ ต้องเดินสํารวมระวังก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถต่างคนต่างเดินจงกลมไม่ใช่ว่าเดินเคียงคู่กันเหมือนเจ้าเบา่าเจ้าสาวนะันไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องของพระกรรมฐานอย่าทำอย่าให้มีมีน้มันขวางหูขวางตาหลวงพ่อนะ่หลวงพ่อในสอนสมัยก่อนหนะลวงพ่อเดินไปพระฝรัง่งอยู่ที่บ้านตาด พอหลวงพ่อเดินไปไปเจอหลวงตาเข้าจังๆนะเลอเริ่มกับเพียงกับเดินหน่อยเดียวนะ่ะแหะไปกุฏิกันใกล้ๆกันพอเจอเข้ามาหลวงตาเห็นทําไมเดินเกี่ยงคู่กันเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่าให้เราได้เห็นอีกนะถ้าเราเห็นนี่ลไล่นี่จะวัดนะเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องของพระกรรมฐานทําอย่างนี้ลืมตัว อย่าให้เราเด็เ น, นะเดินไปที่ไหนต้องมีสติอันนี้เป็นเดินเคียงคู่กันคุยกันมันมีที่ไหนมันไม่ใช่คารวะนะเข้าใจไหม ย, ยูนิฟอร์มเนี่ยแหละสีสรษนโล้นของผ้าเหลืองนะรู้จักหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละหลวงตาท่านสอนหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นอะไรเห็นพระลูกพระหลานเห็นพวกเรา หลวงพ่อจึงประจิตประสาทว่าหลวงพ่อได้ศึกษามาอย่างไรได้ยินมาอย่างไรหลวงพ่อจึงบอกมจริงถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะรู้ได้เมื่อเป็นหัวหน้านี่อย่างหลวงพ่อเนี่ยจะรู้ได้เลยโอ้ใช่ที่หลวงตาท่านพูดให้ฟังเทศดุด่าว่ากเก่าให้พระเนนของท่านอยู่ในกฎระเบียบถูกต้องยอมรับเลย นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายเดินเวลาให้เดินกับกุฏิเดินของไขของเราภาวนานี่แหละให้เดินจนกลมไปไปถึงที่ปัดกวาดทําความสะอาดเข่าห้องหนองห้องน้งําซักปผงซักผ้าอะไรเสร็จแล้วเดินยนกลมสองสามชั่วโมงนุ่นตอนบ่ายลงมาถ้าไห้ลงมาก็เดินยนกลมต่อภาวนาต่ออีกเข้าไปให้เร่งความภาคเปลี่ยนเรียนภาวนา นี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่องค์พระไม่ไม่ไม่อย่างอื่นนะถ้าว่าไม่ภาวนาเลยมาอยู่โต๊โต๊ะเต๋อเอไปอยู่เพื่ออะไรเ อ, อไม่รู้วิธีการปฏิบัติอีกต่างหากพวกเราเนะี่ยมาอยู่นะั ก, กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนัะครับขาขวาพดขาซ้ายโตัวให้มีสติสัมปชัญญะกับตัวเองทางของพวกเราภาวนาจิตแกเข้าสู่ความสงบนั่นแหะ เรามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ริมรถริมรถพระธรรมแต่เข้ามาอยู่วัดเฉยเฉยเนะี่ยจึงจะเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจเถอดเราเหมือนกับเรามาอยู่ในร่มเงาต้นมะม่วงเท่านั้นเองเรามาอยู่ในต้มร่มเงาต้นมะม่วงแต่เมื่อเราได้ภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นเนิ่งจิตใจหนึ่งเป็นหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขัง นั่นแหละเราเข้ามาอยู่ในร่มต้นมะม่วงแล้วก็ได้ทานริมรสของมะม่วงอีกอได้กินรสมะม่วงอีกได้ริมรสมะม่วงมันหวานอร่อยอีกต่างหากนนในไห้พวกเราไอ้เข้ามาอยู่ต้นมะม่วงเลยย่าไปอยู่ต้นอยู่ใต้ร่มเฉยๆนะอต้องชิมต้องเอาเอามะม่วงสุกมาทานดู เป็นยังไงก่อนที่จะเอามะม่วงสุกมาทานมันก็จะมีกรรมวิธีนะให้พวกเราท่านทั้งหลายพาเอนทุกองคนะตั้งใจภาวนารับพรในสตนนินะะทายญาติโยม